อาจารย์พรทุกท่านพ่อมาเทศที่นี่ครั้งที่3มแล้วเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมแท้ๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมีไม่มากหรอกอย่างหลวงพ่อเวลาไปเรียนจากครูบาอาจารย์เราตั้งใจเรียนมากเลตั้งใจฟังเก็บเกี่ยวสาระประโยชน์ให้มากที่สุด เ็ราเรารู้ว่าโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะแท้ๆน้นมีไม่มากการฟังธรรมะนี่ก็คือต้องถือนะว่าเป็นเวลาเหมือนอย่างเรากาลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ท่านจะปรินิพพานนะท่านก็บอกไ ว, ว้ว่าให้ชาวพุทธเราถือพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนตัวท่านงั้นเวลาที่เรามาฟังธรรมะเนี่ย คือเวลาเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าถ้าเกิดเราได้เข้าเฝ้าพพุทธเจ้าแล้ก็อยู่อยู่ก็ควักมือถือออกมาถ่ายรูปเลยนัคงนักเกลียดนักนะงั้เราตั้งใจสงบสํารวมให้ใจของเราพร้อมสำหรับธรรมะถ้าใจของเราพร้อมสำหรับธรรมะแล้วเนี่ยใจเราจะสามารถรับธรรมะได้ง่ายถ้าใจเราไม่พร้อมรับธรรมะไม่ได้จริงฟังไปก็เสียเวลา อุตสาหะเวลาทำงานมานั่งฟังเทศอย่าฟังแล้วใจวอกแวกวอกแวบกบไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาไปทำมาหากินสะดีกว่าก่อนที่พระเจ้าท่านจะเทศธรรมะแท้เนื้อหาสา ร, รัฐชั้นสูงเนี่ยท่านจะต้องให้คนฟังนะมีใจิตใจที่เหมาะกับธรรมะสะก่อน มีใจที่เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควนแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรามีใจสงบนะรู้ตื่นเบิกบานสงบตั้งมั่นแล้วนี่จะบอกน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อหยาดทัศนะเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาเบื้องต้นอาศัยฟังเอาให้รู้วิธีปฏิบัติถัดจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเอาถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ย เราจะพบว่าในเวลานสั้นเดือนสองเดืนอดนสามเดือนอะไรเนี้ยชีวิตใจิตใจเราจะเปลี่ยนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของกระจอกไม่ใช่ว่าฟังกันยี่สิบสามสิบปีก็เหมือนเดิมปฏิบัติกันหลายสิบปีก็เหมือนเดิมมีแค่สงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งอันนั้นต่ำต้อยเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าสูงกว่านั้นเยอะเป็นธรรมะที่สามารถเปลี่ยนใจนะ ของคนฟังใดใจที่มืดที่มัวใจที่มีแต่ความทุกข์เลยเนยใจที่อมโรคโอมกิเลสเอาไว้ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมันสว่างแจม่มใสเบิกบานมีความสุขเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเนี่ยลักษณะธรรมะของท่านนะเปลี่ยนจิตใจของเราได้ในเวลาอันสั้นธรรมะของท่านไม่ใช่ของเนิ่นชา้า ธรรมะของท่านเปลี่ยนพวกเราในเวลาอันสั้นสมัยพุทธกาลนะบางครั้งพวกเดลตีศา ส, สนาอื่นที่มือแน่ๆเคยคิดจะเป็นโตรธรรมะกับพระพุทธเจ้าจะมาตั้งคําถามกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะตอบไม่ได้จะได้แพ้ศาสนาพุทธได้ล่มไปพวกเดลตีด้วยกันเ่ะเตือนบอกอย่าไปหาสมณานคดมนะเขาเรียกพระพุทธเจ้าเราว่าพระสมณโคดม อย่าไปหาพระสมณโคดมนะพระสมณโคดมมีมนเปลี่ยนใจใครเข้าไปหาแล้วก็ใจมันเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนจากมืดบอดมันหายมืดหายบอดนั่นแหละธรรมะเนี่ยคุณภาพไม่ได้ลดลงนะธรรมะก็คงเป็นธรรมะอยู่งั้นวันนี้เราจะฟังสิ่งซึ่งมันเป็นมนเปลี่ยนใจเราถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้นะเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในเวลาอันสั้น คนใหม่เนี่ยหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็สบายร่าเริงมีความสุขโลกเขาทุกขกันแทบตายเราไม่ทุกข์กับเขาหรอกหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆไม่ทุกข์มากทุกข์พอเป็นพิธีนี่ๆหน่อยๆถ้าฝึกให้ดีนะจะไม่ทุกข์เลยการจะมาเปลี่ยนใจของเราได้นะจริงๆใจของเราโดยตัวมันเองนะมันสว่างมันผ่องใส งั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่เดิมนะจิตของเราพระพุทสอนคือสว่างแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เข้ามาครอบงําจิตของเราสว่างก็จริงนะแต่กิเลสยังเข้ามาครอบงําได้เพราะว่าจิตเรายัางมีตะ ก, กรันของกิเลสซ่อนอยู่เรื่องอนุสัยมีสังโยชน์มีอนุสัยกิเลสชัดละเอียดมันแฝงอยู่ในใจเราถ้าเรา จะมาพนานาเนี่ยเราจะมาถอนกิเลสออกไปจากใจให้ได้การจะถอดถอนกิเลสออกจากใจมันจะเปลี่ยนจากใจที่สว่างเฉยๆนะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาในใจที่สว่างสบายนะั้นอะ่ะมันไม่บริสุทธิ์มันเหมือนน้าใสแต่ยังมีเชื้อโรคอยู่เวลาใจของเราไม่ถูกกิเลสแรงๆครอบงาใจของเราก็เหมือนน้ําใสแต่ยังมีเชื้อโรค คืออนุใสกิเลสต่างๆเนี่ซ่อนอยู่งั้นเราจะมาพอใจแค่ให้ใจเราใสใจเราสว่างเนี่ยแค่นั้นไม่พอมันต้องถอนกิเลสเออกจากใจให้ได้ด้วยมันมีคําอยู่สองคำนะบางทีพวกเราเลยมั่วคําว่าประพัดสอนประพัดสอนว่าผ่องใสอีกคำหนึ่งคําว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยคือไม่มีกิเลส จิตเวลาที่มันสบายใจไม่มีอะไรมากระทบแรงๆนะมันผ่องใสมันสว่างสวัยสบายเวลาพวกเราไม่มีภาระอะไรเคยรู้สึกไหมวันนี้แจ่มใสเบิกบานไม่ได้ทำอะไรมันใสโดยตัวของมันเองแต่พอมีราค่าแรงๆขึ้นมามันก็ไม่ใสแล้วมีโทสะแรงๆมันก็ไม่ใสแล้วนั้นธรรมชาติเดิมมันใสแต่มันไม่บริสุทธิ์กิเลสมันซ่อนอยู่เราจะพอใจแค่จิตใสน่ไม่ได้ ก็เชื้อโกอยางอยู่วันหนึ่งก็กำเริบขึ้นมาเอาเราตายอีกจิตที่ใสเนี่ยนะถ้าเราทำสมาธิจิตมันจะใสเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตมันจะไม่กระทบอารมณ์รุนแรงหรือถ้ากระทบอารมณ์แรงๆแล้วจิตมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมันมีสมาธิงั้นถ้าเราทำสมาธิได้จิตจะประพัดสอน โดยธรรมชาตินั้นจิตมันก็ระพัสสอนในตัวของมันเองเป็นคราวๆอยู่แล้วเวลาที่กิเลสแรงๆไม่มาแต่ถ้าเราจะฝึกจิตให้ระภัสสอนบ่อยๆก็ทำสมาธิทำความสงบไปหัดพุดโทโธหัดไหว้พระสวดมนต์อะไรไปนะหัดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าไปพอจิตใจเราไม่กระทบของหยาบๆนะใจเราเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานในอารมณ์อันเดียวที่ดนะีอยู่กับพุโทโธอยู่กับ ทำโมสังโคอยู่กับการคิดถึงการทำทานการรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าอะไรอย่างเงี้ยจิตใจมันไม่ได้ถูกกิเลสแรงๆกระทบนะใจมันก็สว่างสไยสบายหลายคนเลยพอใจอยู่แค่นี้เองตัวนี้เรียกแค่สมถะกรรมฐานทำสมาธิให้ใจมันสงบใจที่สงบมันสว่างสวนะแต่ว่ากิเลสยังอยู่ ถ้าเราจะถอนกิเลสออกจากใจนะเรามีบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สามบทบทที่หนึ่งชื่อศีลศิขาเราต้องเรียนวิธีรักษาศีลคนที่ไม่มีศีล น, นะใจไม่มีความสุขใจโศกปลกุกคนที่ทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำใจอย่างคนที่ถูกความกโกรธหรือความเศร้าโหมงครอบงำใจแต่คุณโทสะครอบนะ ไปทำร้ายคนอื่นได้มันโกรธเขาาก็ทำร้ายเขาได้ไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปขโมยเขาก็ได้ะทำด้วยความโกรธไม่ได้โลภเลยไม่ได้อยากได้ของเขาหรอกแต่แกล้งเขาไปขโมยรุนจอนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้ก็ไม่ได้ชอบหรอกแกล้งไปผิดลูกผิดเมียเขานี่ทำด้วยโทสะก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นราคะนะในทำผิดเพื่อปิดในกามอะทำเพราะโทสะก็ได้หรือไปด่าเขาก็ได้แต่เพราะโทสะ ไปแกล้งชมเขาก็ได้อย่างเราเกลียดใครสักคนนะเราแกล้งชมมันทุกวันเลยให้มันเสียคนไปเลยให้มันเหลิงไปเลยอย่างคนเป็นใหญ่เป็นโตนะคนชมเยอะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรุอ้พระนะท่านอย่างโน้นอย่างนี้นะพักเดียวเสียผู้เสียคนคนมันพร้อมจะเสียนะมันก็เสียง่ายหน่อยถ้าไม่มีปู่มตันทานกิเลสหรือราคานะความโลภนะอะไรครอบงำใจกนะ็ทําผิดศีลห้าได้ทั้งหมด มีความโลภเข้าไปทำลายเขาก็ได้นะย่งชิงเขาไปประพฤติผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้หนะรืออย่างถูกความโลภราคาครอบงำใจใจกรดี้ก็ได้ามีความสุขต้องเลี้ยงฉลองคนไทยนะมีโทสะคือเศร้าหมองก็กินเหล้ามีราคะนะใจเบิกบานร่าเริงก็ไปกินเหล้าอีกนี่ทำผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเลย คนเราทำผิดศีลห้าได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงําใจถ้ากิเลสไม่ครอบงําใจคนจะไม่ทําผิดศีลเลยพวกเรารู้จักกิเลสไหมใครรู้จักโกรธยกมือสิใครรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงพวกนี้ไม่รู้จักไม่เคยโกรธชาตินี้หมูสะอาดหมดจดซาตุใครรู้จักโรอบมั้งรอบแบบโลบเป็นไหมรอบโลบเป็นนะฟุงสั้นฟุงสั้นเป็นไหม หดหูเคยหดหูไหมเป็นอีกใช่ไหมเคยอิจฉาไหมเคยกลัวไหมเคยเกลียดไหมโอ้รู้จักหมดเลยเคยเซงไหมเซงเออเนี่ยเป็นสารพัดเลยเคยตะกละไหมโอ้เนี่ยพูดเสียงดังเชย <c oughs> <c oughs> กิเลสกี่ตัวกี่ตัวยกมานี่รู้จักท้งท่านเลยไหมมันไม่ยากหรอกนะที่เราจะรักษาศีลให้ได้นะต่อไปนี้ กิเลสอะไรกำลังเกิดขึ้นในใจรู้ทันมันความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธแล้วคนทั่วๆไปนะถ้าจะรู้มันก็รู้ได้แต่มันละเลยที่จะรู้อย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเนะี่ยใจเราโกรธเราไม่ดูหรอกว่าใจกำลังโกรธเราจะไปดูไอ้คนที่ขับรถปาดหน้าเราใช่ไเราโกรธอะไรเราก็ไปสนใจอันนั้นอนะ หรืออย่างเราไปเจอสาวงามเราไปเดินห้างเดินศูนย์การค้าผู้ชายนะอันนี้ผู้ชายหมายถึงผู้ชายไปเดินเจอสาวสวยขึ้ใจมันชอบใจมันชอบถ้าเราภาวนาเป็นนะเราก็เห็นใจมันมีความรักเกิดขึ้นมันชอบเขาแล้วละ่ะแต่คนทั่วไปเนี่ยมันไม่ย้อนมาดูใจตัวเองใจมีราคามีความโลภมีความชอบเกิดขึ้นไปดูคนที่เราชอบหรือเวลาไปเดินห้าง เดินส่วนการค้าไอ้นู่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้เห็นแต่ของที่เราอยากได้นะไม่เห็นใจที่กําลังอยากได้เห็นแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเห็นแต่สิ่งที่เราโกรธไม่เห็นว่าใจกําลังโกรธเนี่ยความยากมันไม่มีหรอกมันไม่ยากหรอกมันง่ายนิดเดียวนะถ้าใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไว้ซีนมันจะเกิดอัตโนมัติเลยนี่พวกเราละเลยโกรธขึ้นมาเราก็ไปดูสิ่งที่ทําให้ไม่ชอบใจ โลบขึ้นมาแล้วก็ไปดูสิ่งที่ทําให้ชอบอย่างเราไปซื้อผ้ามาสักตัวหนึ่งนะหรือซื้อเสื้อมาสักตัวหนึ่งเนะี่ยเลือกมาอย่างดีเลยนะอย่างแพงเลยเอากลับมาบ้านแนละ้วเพราะว่ามันมีรอยเส้นด้ยขาดไปหน่อยหนึ่งมีรอยตําหนินิดหนึ่งหรือมันเปื้อนอะไรมาดําๆนะนิดเดียวจุดเดียวนะเสื้อทั้งตัวนะั้นเราไม่ดูแะเราจะเวียนดูไอ้จุดที่ขาดหรือจุดที่มันดําๆนะั่นแหะ ทำไมล่ะเพราะเราเกลียดมันเเกลียดมันแทนที่เราจะรู้ทันว่าใจกําลังไม่สบายใจนะใจหงุดหงิดไม่ดูหรอกแล้วก็มวัวดูไอ้เสื้อที่มันขาดนั่นแหละเป็นไหมเป็นอย่างนี้ไหมเกลียดใครมากก็คิดถึงคนนั้นบ่อยใช่ไหมเกลียดมากคิดมากมีอยู่ยุคหนึ่งเดินขบวนกันเป็นบ้านเต็มเมืองเป็นแสนเป็นล้านคนคิดถึงใครบ่อย คิดถึงใจที่กำลังโกรธไหมไม่ค่อยคิดนะเกลียดอะไรก็ชอบคิดถึงสิ่งนั้นรักอะไรก็ชอบคิดถึงสิ่งนั้นต่อไปนี้ปรับตัวสมัยนะมาเรียนศาสตร์ของพรธเจ้าเกลียดอะไรให้รู้ว่าเกลียดรู้ว่ากำลังเกลียดรักอะไรขึ้นมาให้รู้ว่ากำลังรักฝึกแค่นี้ยากไหมเพราะเมื่อกี้ถามล้วนะว่ารู้จักโกรธไหม ร, รู้จัก รู้จักชอบไหมก็รู้จักใช่ไหมความรู้สึกทุกชนิดเรารู้จักอยู่แล้วล่ะต่อไป น, นี้ไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจนะให้รู้เอาความโลภเกิดให้รู้ความโกรธเกิดให้รู้ความฟุ้งซ่านเกิดให้รู้ความหดหู่เกิดให้รู้พวกเรายุคนี้เป็นโรคหดหู่เยอะนะเป็นเยอะมากเลยนี่เป็นภาระกับมอด้วยใจชอบไปติดอารมณ์ เวลามีอารมณ์หดหู่อารมณ์เศร้าๆนะชับเขากเก้าปิดเกาะอยู่นะเคราเศร้าชีวิตเศร้านะสวมวิญ ญ, ญาณนางเอกนะอยากให้พระเอกมาปลอบสัทีนะมันไม่มาทีเราก็เศร้าอยู่ยงั้นนะความจริงไม่ยากเลยนะแค่รู้ว่าใจเนี่ยไปติดอารมณ์เศร้านะจิตมีความเศร้าก็รู้มันลงไปนะี่มันติดอารมณ์เศร้าแค่รู้เท่านั้นนะอารมณ์เศร้านั้นก็กเด่นออกจอากใจไปแล้ว อารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ฟุงซ่านอารมณ์หดหูนแค่เรารู้ทันว่าตอนนี้มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์นั้นจะกระเด็นอกอกจากใจเรามันไปของมันเองนะทันทีที่เรารู้ทันต่อไปนี้ลองไปฝึกนะไปฝึกคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจิตโลบขึ้นมารู้ทันอย่ามัวแต่ดูของที่เราอยากได้ จิตโกรธขึ้นมารู้ทันนะอย่ามัวแต่คิดถึงสิ่งที่เราเกลียดอะไรเงี้ยให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไว้การหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองนะจะทําให้กิเลสเนี่ยครอบงําจิตใจไม่ได้เพราะมันมีกฎของธระมาอยู่ข้อหนึ่งนะว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติแล้วมีสติบ่อยๆสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเรานี้ สติเป็นตัวรู้ทันสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดานะอันนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่คือสติที่รู้กายรู้ใจของตัวเองสติธรรมดาอย่างใจเราอยากฟังเทศน์นี่ก็มีสติแล้วใจเราอยากทําความดีก็มีสติล้วเป็นสติธรรมดาแต่สติชั้นเลิศนี่คือสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าเรามีสติปัฏฐานเรามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อยๆนะ จะได้บุญมหาศาลเลยพระพุทธเจ้าเคยสอนชาวกุรุนะเรื่องมหาสติปฐานสูตรใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้างมีไหมใครไม่เคยได้ยินบอกมาตามตรงไม่เคยได้ยินคำว่ามหาสติปฐานไม่เคยได้ยินสติปฐานเลยมีไหมยกมือซีให้หลวงพ่อสำรวจก่อนเอาลกได้นะที่เหลือแน่ใจนะว่าเคยได้ยินเดี๋ยวจะลองถามดู พระเจ้าสอนสติปัฏฐานกับพวกชาวกุรุชาวกุรุเดี๋ยวนี้อยู่ก็คือย่านแถวเดลีเนะมืองหลวงของอินเดียนั่นเองพวกชาวกุรุเนี่ยมาเรียนสติปัฏฐานแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าถ้าใครจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะบางคนเนี่ยเจ็ดปียบรรลุพลระอรหันต์ถ้าไม่บรรลุพลระอรหันต์ในเจ็ดปีก็ได้พระอนาคาแปลว่ า, า ง, งี้นะ บางคนไม่ต้องเจ็ดปีหรอกแค่หกปีไม่ได้พระลรหันก็พระนาคขาบางคนก็ปีเดียวเป็นพระลรหันหรือเป็นพระนาคขาบางคนนะเจ็ดเดือนเท่านั้นก็ได้พระลรหันหรือพระนาคขาบางคนเจ็ดวันบางคนวันเดียวเป็นพระลรหันหรือพระนาคขาไม่ดูเขาเป็นกันง่ายมากเลยบารมีเขาเต็มอะชาวครูรู้เขาจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราตื่นช้ามาเจอหน้ากันเราทักทายกันว่ายังไง เมื่อคืนดูละครเรื่องนี้หรือเปล่าเ ไ, ไหยถ้าพวกชอบดูละครจะถามเมื่อคืนดูเปล่าเนี่ยนางเอกมันโดนพระเอกตบแล้วนะอะไรอย่างงี้นะจะคุยกันพวกชอบดูบอลก็โอยเมื่อคืนนี้มันมากนะทีมน้น ม, มันเตะทีมนี้สนุกเวลาเราทักททยกันนะสังเกตดูเราจะทักไทยเรื่องที่ออกข้างนอกหมดเลยคนกูรุเนี่ยเวลาเขาทักไทยกันนะเขาทักททยว่า เธอได้เจริญสติปัฏฐานหรื อ, อยังวันนี้มีสติหรื อ, อยังนี่เขาทักทายกันอย่างนี้นะของเราหนังเรื่องนี้สนุกนะไปดูหรื อ, อยังะข่าวนี้จริงหรือเปล่าทุกวันนี้ข่าวปลอมเต็มไปหมดเลยนะใครๆก็ปล่อยข่าวได้ส่งเฟซส่งไลน์เลยปล่อยข่าวกันโกหกกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็อย่างนี้แหละมันสู้ชาวกุรุไม่ได้ชาวกุรุเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็คุยเขีนเรื่องการเจริญสติ เขาก็เลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีบรรลุพระอรหันต์เราทําไมไม่บรรลุสักทีเพราะเราไม่ชอบเจริญสติถ้าเราหัดเจริญสติบ่อยๆเราก็เหมือนชาวกุรุเหมือนกันในเวลาอันสั้นไม่จะเป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดไม่ใช่หุ่นยนต์นะพระอรหันต์เนี่ยท่านถอดถอนกิเลสออกจากใจได้อย่างหมดจดเลยเนี่ยเราจะถอนกิเลสออกจากใจได้เลยนะเราต้องคอยรู้ทันกิเลส กิเลสเข้ามาที่ใจคอยรู้ทันกิเลสเข้ามาที่ใจคอยรู้ทันรู้บ่อยๆราคาเข้ามารู้จักราคาหราคาความโลภความชอบความรักใคร่ผูกพันเนี่ยเรียกว่าราคาโทสะก็พวกความไม่พอใจความไม่แช่มชื่นใจความกลัวความเกลียดความอิจฉาความตรหนี่ตระกูลโทสะ ตอนหลวงเด็กๆนะนั้นนึกว่าความจะหนีนี้เป็นโลภะนะเป็นความโลภแต่สังเกตด้วยตอนที่เรารู้สึกหวงแหนนะี่ใจเราไม่มีความสุขถ้าเมื่อไหร่ใจไม่มีความสุขนะรู้ได้เลยว่าจิตขณะนั้นเป็นจิตตะกูลโทสะใจมันจะไม่แช่มชื่นถ้าตะกูลราคานะนี่มีความสุขม่นก็อุเบกขาไปให้เราคอยรู้ทันกิเลสนะบ่อยๆเรารู้ได้อยู่แล้วเราอย่าลาเลยถ้าเราไม่ลาเลยเราก็เหมือนชาวปุรุ ในเวลาไม่นานนะเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์มันดียังไงก็ไม่ทุกข์นั่นะนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์นะยุคนี้เราไม่มีใครพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่แล้วนะท่านไม่สามารถไม่มีใครรับรองได้ว่าใครเป็นพระอรหันตนะ์เราบอกไม่ได้เต็มปากว่าตรงนั้นพระอรหันต์ท่านนี้พระอรหันต์แต่มีตัวอย่างให้เราดูนะเพิ่ง มรณภาพเมื่อไม่กี่วันเนี้หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเป็นมะเร็งนะคอก็เจาะะเพื่อจะหายใจทางคอแล้วก็เสลิดก็ออกมาจากคอด้วยอาหารก็เจาะใส่ท้องมีแต่เจาะนะแต่หลวงพ่อคาเขียนมีความสุขเราบอกไม่ได้หรอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีใครรับรองได้แต่ท่านฝึกมาดีแล้วขนาดเจ็บหนักนะ ถ้าพวกเราเจ็บหนักอย่างนั้นโอ้ยเราดิ้นรนอดครวนทุรนทุรายแล้วเรียกร้องให้คนมาเห็นอกเห็นใจไม่ก็เศร้าโศกเสียใจนี่ไม่เป็นเลยมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานร่าเริงสดใสไปลงพ่อไปเยี่ยมท่านแล้วสดใสหน้าตาเนี่ยใสใสกว่าพวกเราเยอะเลยห่องใสมากทั้ง ท, ง ท, ง ท, งที่โคม่าแล้วเนะี่ยใจที่ฝึกไว้ดีนะ ใจที่ฝึกไว้ดีเนะี่ยมันมีความสุขเวลาเจ็บหนักเวลาจะตายเวลาจะพลัดพลาดจากสิ่งที่รักเวลาจะต้องสูญเสียอะไรใจไม่หวั่นไหวใจมันมีความสุขอยู่ได้แล้วพวกเราก็มีโอกาสไม่ใช่ว่ามีคนใดคนหนึ่งหรอกที่มีโอกาสทุกคนนั่นะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ที่จะฝึกจิตฝึกใจของตัวเองคอยรู้ทันกิเลสไเถอะ กิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้รู้ไปเล่นเล่นไม่ใช่รู้เพื่อเอาชนะนะไม่ใช่รู้ว่าเพื่อจะเอาชนะกิเลสต่อไปนี้เราจะไม่โกรธต่อไปนี้เราจะไม่โลภอะไรนี่มันทำไม่ได้อยู่ๆก็เป็นนึกเอาเองนะโอบขึ้นมาให้รู้โกรธขึ้นมาให้รู้ไม่ใช่ตั้งใจว่าจะไม่โลภไม่โกรธพวกเราเคยตั้งใจไ้ยว่าจะไม่โกรธเสร็จแล้วก็โกรธนึกออกไหมตั้งใจจะไม่โกรธยิ่งโกรธเร็วเลยเคยไม่ตั้งใจจะไม่รัก เราก็รักอย่างรวดเร็วเลยนะไม่เอาแล้วเข็ดแ ล, แล้วอกหักมาสองทีแล้วต่อไปนี้ไม่รักใครอีกแล้วเนะขาโทรศัพท์มาคุยด้วยไม่กี่วันรักอีกแล้วให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่ได้โอกาสแล้วโอกาสสนองกิเลสอีกนะเราห้ามมันไม่ได้จิตเจะโกรธก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรักก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ห้ามมันแต่เราคอยรู้ทันมันจิตโกรธแค่ามารู้ จิตรอบเพึ่นมารู้จิตสงบรู้จิตฟุ้งซ่านรู้นะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ค่อยรู้ไปเรื่อยรู้เพื่ออะไรนะเบื้องต้นเนี่ยพอเรารู้กิเลสจะครอบงําใจไม่ได้ศีลจะเกิดแล้วต่อไปสมาธิก็มีขึ้นมานะสมาธิเป็นความฟุ้งซ่านของจิตจิตที่ฟุ้งซ่านพวกเรารู้จักจิตฟุ้งซ่านไหมมันทั้งฟุง้ทงทั้งซ่านฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปดูฟุ้งไปฟัง ฟุ้งไปดมกลิ่นฟุ้งไปลิ้มรสหรือฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจนะซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตมันจะวักแวกวักแกเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดเรื่องน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้นจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสนะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันน ะ, ะเป็นกิเลสตระกูลโมหะกิเลสเขาก็มีตระกูลเหมือนกันนะคล้ายๆพวกเรามีนามสกุลอะความฟุ้งซ่านก็นามสกุลโมหะ เป็นตรกูลโมหะถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะสงบเพราะจิตจะไม่ฟุ้งซ่านแค่นี้เองงั้นวิธีที่เราจะฝึกจิตให้มีสมาธิขึ้นมาก็าแค่มีสติรู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่จิตก็สงบเองแหละเหมือนวิธีจะฝึกให้ได้ศีล น, นะจิตมีราคาก็รู้ทันจิตมีโทสะก็รู้ทันนะจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ทันแลนะศีลมันก็เกิด ที่กิเลสเกิดอะไรก็รู้ก็ได้ศีลถ้าความฟุ้งซ่านเกิดแล้วเรารู้จะได้สมาธินี่พอเราจิตฟุ้งซ่านเรารู้นะมันจะฟุง้งหนีไปคิดทั้งวันเลยทันทีที่เราตื่นนอนจีก็หนีไปคิดล้เป็นไหมก็ตื่นนอนปุ๊บ ก, ก็คิดแล้วบางทีตื่นมานะยังนอนอยู่บนเตียงก็คิดไปตั้งหลายเรื่องแล้วอย่างพวกเราไปทํางานเนี้ย ตื่นนอนมาเราต้องคิดก่อนวันนี้วันอะไรต้องทบทวนหน่อยใช่ไหมแล้วนึกทีแรกโอ้วันนี้วันอาทิตย์ล้วไอ้วันเสาร์อะไรเงี้ยนึกขึ้นอีกทีเอ้ไม่ใช่วันนี้เพิ่งวันอังคารอย่างเงี้ยตอนนึกว่าวันนี้วันเสาร์นะ้นกสบายใจมีความสุขนะมีความสุขพอหนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะโอ้โหลุกดีลูกหลนละยิ่งอยู่ทํางานแถวนี้นะรถติดมากเลย คนสุขภาพจิตดีๆอยู่แถวนี้นานๆสุขภาพจิตเสียก็ได้นะรถมันติดมากเนี่ยใจเราจะคิดตลอดเวลาตื่นมาก็คิดแล้วคิดวันนี้วันอะไรคิดอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกคิดอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกีคิดว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เกิดความรู้สึกสบายใจมีความสุขคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องรีบไปทางานนายนัดแต่เช้าด้วยวันนี้นัดเช้าพิเศษมีงานพิเศษด้วย หอ้ยิ่งตาลีตาลานนะใจทุรนทุรายเลยเนี่ยใจของเรานะมันทำงานตลอดเวลามั น, นีไคิดตลอดเวลาพวกเราลองหยุดคิดดูได้ไหมลองนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งพวกเราลองหยุดคิดดูทดสอบดิซิทำได้ไหมคิดไหมคิดอย่าไปห้ามมันนะเพราะเราเป็นคน เราต้าจิตใจของเราคิดเป็นให้มันคิดแต่มันคิดนี่แหละสังเกตให้ดีเถอะพอใจมันไปคิดนะเดี๋ยวก็เกิดความสุขคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงพวกนี้ตามหลังความคิดมาทั้งนั้นเลยอย่างเราขับรถอยู่คนป่านหน้าเราสังเกตให้ดีก่อนจะโกรธต้องคิดนิดหนึ่งก่อนโอ้แน่แค่ไหนมันจะรีบไปไหนนิสัยเสียอะไรเนี่คิดอย่างนี้ก่อน คิดในทางไม่ดีแล้วความโกรธก็เกิดถ้าคิดในทางดีนะความโกรธก็ไม่เกิดเช่น ถ, ถูกปาดหน้าโอ้พ่อเขาคงเจ็บหนักจะรีบไปไปหาหมออะไรนี้นะคิดในทางเมตตานะไม่โกรธงั้นจะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะตามหลังความคิดมามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเสมเขมกนะันั่นคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายคิดดี ใจเย็นถ้าคิดร้ายอ่ะใจร้อนสิคิดอย่างนี้ใจเป็นกุศลคิดอย่างนี้ใจเป็นอกุศลตามหลังความคิดมาคิดไม่เป็นหมายถึงเหนือคิดเป็นรู้ใจเย็นสบายเลยมันดับสนิทดับความทุกข์ได้อันนั้นเป็นขั้นสัมผัสพระนิพพานแล้วพวกเรายังไม่ถึงอ่ะพวกเราคิดดีให้ใจเย็นไว้ก่อนก็แล้วกันคอยดูสังเกตใจใจมัจะหนีไปคิดทั้งวัน คิดแล้วมีความสุขให้รู้ทันคิดแล้วมีความทุกข์ให้รู้ทันคิดแล้วโลภให้รู้ทันคิดแล้วโกรธให้รู้ทันคิดแล้วหลงให้รู้ทันแค่นี้พอทําได้ไหมนะเราหัดมาอย่างนี้แหละคอยรู้ทันกิเลสนะอย่างเรารู้ทันกิเลสในเบื้องต้นจิตโลภโกรธหลงรู้ขึ้นมานะศีลมันเกิดจิตฟุ้งซ่านไปก็เป็นจิตมีกิเลสตะกุลหลงเหมือนกันมิดโมหะจิตฟุ้งซ่านเรารู้นะเราได้สมาธินะ จิตมีกิเลสแรงๆขึ้นมาเรารู้ทันเราได้ศีลจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันได้สมถิแล้วเราเห็นว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่เข้าใจเข้าใจความเป็นจริงอย่างถ้าเราคอยรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดในจิตในใจเราก็าจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาโอ้กิเลสเนี่ยมันจะมาเราก็ห้ามมันไม่ได้มันมาแล้วไล่มันก็ไม่ไป หรือกระทั่งกุศลนะสั่งจิตให้มีกุศลมันก็สั่งไม่ได้หรือความสุขสั่งให้มันมีมันก็มีไม่ได้พอมันมีแล้วสั่งให้มันสุขตลอดไปก็สั่งไม่ได้ความทุกบอกมันว่าอย่ามามันก็มามาแล้วไล่มันให้รีบรีบไปมันก็ไม่ไปเนี่ยเราคอยรู้ทันอยู่ที่ใจเราด้วยนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดที่จิตใจเราเราคอยรู้ไปเรื่อยรู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นนั่นเองว่า เราบังคับมันไม่ได้หรอกของพวกนี้มาแล้วก็ไปนะแล้วก็บังคับมันไม่ได้จริงความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมาแล้วก็ไปทุกอย่างแหละแล้วก็ไม่มีใครสั่งมันได้นะสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ชั่วนะห้ามชั่วมันก็ชั่วอีกห้ามชั่วมันมักไม่ค่อยดีสู้สู้กิเลสสู้ยาก นี่เราค่อยรู้นะรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของเราเนี้มันเปลี่ยนตามหลังความคิดมาไม่ห้ามความคิดให้ใจคิดเมื่อใจคิดแล้วจิตเปลี่ยนก็ไม่ห้ามการเปลี่ยนแปลงแต่ให้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงแม้ไม่มีคําว่าห้ามเลยนะการเจริญปัญญาเนี้ยไม่มีคําว่าห้ามสักข้อเดียวเลยจิตจะคิดก็ให้มันคิดไปช่วยไม่ได้เพราะมันมีหน้าที่คิดเมื่อมันคิดแล้วเกิดสุขก็คแค่รู้เกิดนะทุกข์ก็แค่รู้ เกิดกุศลก็แค่รู้เกิดโลภโกรดหลงก็แค่รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่าจิตจะคิดจิตก็คิดของจิตเองห้ามมันไม่ได้อย่างเมื่อกี้หลวงพ่อพาให้ดูจิตมันคิดได้เองใช่หห้ามมันไม่ได้มันจะคิดเมื่อคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็อยู่ชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้ สั่งให้มีเขไม่ได้สั่งไม่ให้มีก็ไม่ได้มีแล้วสั่งให้ไปเร็วๆก็ไม่ได้สั่งให้อยู่ตลอดไปก็ปไม่ได้บังคับไม่ได้สักอย่างตรงที่เราเห็นว่ามันมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปเรียกว่าอนิจจังเคยได้ยินไหมอนิจจังอนิจจังอนิจจาอะไรพวกนี้นะอนิจจาอนิจจังก็คือของเคยมีแล้วมันก็ไม่มีเรียกว่าเป็นอนิจจังอนัตตาก็คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับ สุขทุกข์ดีชั่วสั่งมันไม่ได้นะมันเป็นอนัตตานี่ยเราคอยมารู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยนะเ ห, นนนเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไปเรื่อยนะนี่แหละหัดเจริญปัญญาไปคอยรู้ทันนะจําได้ไหมสอนไว้ให้คอยรู้ทันใจของตัวเองนั่นแหละถ้าเราเห็นกิเลสจะได้ศีลถ้าเห็นความฟุ้งซ่านจะได้สมาธิ ถ้าเห็นทั้งกิเลสทั้งกูศรนทั้งสุขทั้งทุกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจะได้ปัญญาปัญญาคือความเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงนะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราว่าเป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็ชั่วคราว โ, รโลภหลดหลงก็ของชั่วคราวเราต้องการเรียนให้เกิดปัญญานะ ตามรู้ตามดูเนะี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับตรงนี้ได้นี่แหละเราได้ธรรมะในระดับของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยคือท่านที่เห็นความจริงแท้แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นเท่านี้เองนะไม่ได้เห็นอะไรมากมายหรอกพวกเราไม่ยอมอย่างความสุขเกิดแล้วมันจะดับเนี่ยเราไม่ยอมอยากให้มันสุขนาน ความทุกข์เกิดเราก็อยากบังคับมันอยากให้มันดับเร็วๆมันไม่ยอมดับเนะีเราก็ใจเราก็ไม่ยอมเวลาใจเราไม่ยอมในสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้านียใจจะทุกข์นะใจจะทุกข์อย่างมีความสุขอยู่ดีๆเนี่ยเราเกิดกลัวว่าความสุขจะหายไปแค่คิดแค่นี้นะใจก็เป็นทุกข์ละกลัวความสุขจะหายเคยเป็นหมสังเกตไหมว่าบ่ายวันศุกร์กับบ่ายวันอาทิตย์นะ่ะ วันไหนมีความสุขกักนพวกที่ทํางานจันทถึงสุขอะ่ะบ่ายวันศุกร์มีความสุขกว่า บ, บ่ายวันอาทิตย์นึกออกไหมห้ามเหมือนไม่ได้ห้ามเหมือนไม่ได้วันนี้หัวเราะชอบใจแสดงว่าอะไรแสดงขี้เกียจทํางานนั่นแหละหลวงพ่อตกอดรับราชการก็เป็นนะถึงพูดเต็มปากเต็มคำํำว่าบ่ายวันศุกร์กับบ่ายวันอานทิตย์ไม่เหมือนกันหรอกนี่หลวงพ่อไป อินเดียเราไปเจอพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านยังบอกเลยโอ้ยอาจารย์ปาโมดอ่ะได้เปรียบผมหมายถึงได้เปรียบตัวท่านเพราะว่าเป็นฆรวาสมานานรู้ใจขราวาสเวลาเทศนะถึงใจอย่างพระววนมาแต่ดเด็กนะไม่เข้าใจเลยเรื่องบ่ายวันสุกับบ่ายวันอาทิตย์มันต่างกันยังไงเนะนี่ยนึกไม่ออกเลยอย่างพวกเราอ้สะใจนึกถึงเข้าใจ คอยรู้ไปนะค่อยรู้ไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้ไม่ใช่รู้เพื่อควบคุมแต่รู้เพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงอย่างเรายอมรับความจริงไม่ได้นะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์ไม่อยากได้เลยไม่อยากให้มันถึงนะบ่ายวันที่เราทุกข์ละเรายอมรับความจริงไม่ได้เมื่อไรนะก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละอย่างร่างกายของเราเนี่ต้องแก่เป็นไหมต้องแก่ไหม บางคนตายตั้งแต่ขวบหนึ่งขวบหนึ่งก็แก่แล้วแก่หนึ่งขวบอายุสองขวบก็แก่สองขว บ, ขวบก็แก่ขึ้นเรื่อยๆร่างกายนี้ต้องแก่พวกเรานึกถึงผมหงอกเส้นแรกได้ไหมเวลาเราเจอผมหงอกเส้นแรกรู้สึกไหมสะเทือนใจนะเจอเส้นที่พันหร้อยเนี่ยเฉยๆเราเจอเพราะอะไรเพราะยอมรับได้ตอนนี้หงอกทั้งหัวนี้ยอมรับได้แล้วก็ไม่กลุ้มใจละ นึกถึงตีนกาอันที่หนึ่งได้ไหมใครมีตีนกาแล้วบ้างมีไหมมีแล้วนะอายุดูไม่มากเลยห <c oughs> มอกลุ้ยก็มีแสดงวุตถิภาวะนะตีนกาอันแรกเนี่ยเจ็บช้ำนะพอันที่มากๆหน่อยเนี่ยเฉยๆทำไมอะ่ะทาไมผมออกเส้นแรกเจ็บช้ำตีนกานแรกเจ็บช้ำเรายอมรับไม่ได้พอมันมากขึ้นมากขึ้นนะ มันทําใจได้มันยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับความจริงที่กําลังปรากฏไม่ได้เราจะทุกข์เราต้องแก่ถ้าเรายอมรับได้ว่าเออมันแก่แล้วละ่ะเป็นเรื่องธรรมดาตรงที่เราเห็นว่ามันธรรมดานี่แหละคือคําว่าธรรมะละ่ะนะธรรมดานั่นแหละคือมันเป็นธรรมเป็นอย่างนี้แหละคําว่าเป็นธรรมเป็นอย่างนี้แหละมันแก่หรือมันเจ็บ ร่างกายเจ็บป่วยบางคนยอมรับไม่ได้มันเป็นไปนตรวจร่างกายเป็นมะเร็งนะขั้นที่หนึ่งยอมรับไม่ได้ตรอมใจตายเลยไม่ท่านเป็นมะเร็งตายนะหลวงพ่อเคยมีพระท่านเล่าให้ฟังญาติท่านสดชื่นแจ่มใสเลยนะมาตรวจร่างกายประจําปีตรวจแล้วตอนไปโรงพยาบาลตอนเช้ามาแวะหาท่านมาพักที่วัดนะแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลที่โคราชนะ ตอนไปโรงพยาบาลเนี่ยเดินไปอย่างสดชื่นไปตอนกลับจากโรงพยาบาลนะญาติญาติหิ้วปีกมาเพราะหมอประกาศผลแล้วไปเนี่ยไปฟังผลหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งเดินไม่ได้แล้วก็ เ, เป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งนะเขาก็หามกลับบ้านไปนะไม่กี่วันออกไม่ถึงเดือนนะตายไปเลยยอมรับไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งนะกลัวตายเลยตายเร็วเลย เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากหายเร็วๆนะเราจะยิ่งทุกข์นะแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละมันต้องเจ็บป่วยมันจะไม่ทุกข์เหมือนอย่างที่เล่าเรื่องหลวงพ่อคําเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนเห็นโูคมะเร็งก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ถึงวาระมันจะต้องเป็นมันก็เป็นอ่ะไม่ไดมันก็ไม่ได้นมันก็เป็นไปแล้วอะใจท่านยอมรับความจริงได้ท่านอยู่กับโรคมะเร็งได้นะใจท่านไม่ทุกข์นะ แต่ว่าโรคนี้รักษาไม่หายรักษาไม่หายท่านก็ตายเวลาตายก็ตายอย่างสง่ า, าผ่าเผยตายอย่างมีความสุขมีความสงบเนี่ยเพราะอะไรเพราะยอมรับความจริงได้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้าเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์นะถ้าเรายอมรับไม่ได้เราทุกข์เราต้อง พ, พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอันนี้เรื่องจริงหมทุกคนจะต้อง พ, พลัดพรากจากสิ่งที่รักอันนี้จริงไหม อะไรที่เรารักที่สุดตัวนี้ใช่ถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากไปถูกญาติญาติเราไปเผาทิ้งเนี่ยของที่เรารักที่สุดเลยเข้าเกลียดเลยเข้ากลัวแล้วเข้าไปทิ้งละยกให้ฟรีไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติลูกเมียชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยของที่เรารักถึงวันหนึ่งต้องทิ้งไปต้องพลัดพราก คนโทษๆไปกลัวการพลัดพรากนะแต่ถ้าเราหัดพานาเราเห็นนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรใในชีวิตนี้ก็ชั่วคราวนั้นชีวิตนี้หรือสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เรารักก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะใจมันก็ไม่ทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นธรรมดานี่แหละคือธรรมะมันต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตายยังไงก็ต้องจากเนี่คือความจริง การต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักมีไหมเจอสิ่งที่รักตลอดการไม่เคยเจอของไม่ชอบใจเลยมีไหมไม่มีห้ามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่แหละธรรมดาเจอของไม่ดีนี่ก็ธรรมดาเหมือนเราเคยเจอทุกเห็นสุขก็ธรรมดาเห็นทุกข์ก็ธรรมดาเม่เวลาเจออะไรที่ไม่ดีนี่ก็เรื่องธรรมดาการเจอสิ่งที่ไม่รักก็เรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ทุกอย่างต้องผ่านไปแน่นอนอย่างเมื่อปีห้าสี่น้ําท่วมใหญ่ปีนั้นนึกออกไหมตอนก่อนน้ําจะมาถึงบ้านเราเนี้ยเรากังวลมากใช่ไหมโอ้จะท่วมไม่ท่วมจะท่วมไม่ท่วมรุนใหญ่เลยอยากให้ไปท่วมบ้านคนอื่นอย่ามาท่วมบ้านเราเนี่ยน้ํามันต้องมีที่ไปมันควรจะไปทางอื่นเนี่ยสุดท้ายมันก็ท่วมก็ทุกนะทุกตั้งแต่ก่อนท่วมท่วมแล้วก็ทุกทุกอยู่พักหนึ่งนะก็ทําใจได้ เคยชินแล้วเคยชินแล้วคนโบราณฉลาดนะน้ำท่วมอก็เล่นเครงเรือมันเลยไล่มันไม่ไปเนี่ยก็อยู่กับมันมีความสุขกับมันได้อย่างพวกเราน้ำท่วมบ้านทีแรกก็กลุ้มใจมากอยู่ไปหลายๆวันชักชินนะทำใจได้ทุกก็ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเริ่มยอมรับน้ำได้ทุกสิ่งนะถ้าเรายอมรับมันได้เราจะไม่ค่อยทุกข์หรอกแต่ถ้าเรายอมรับความจริงที่กาลังปรากฏไม่ได้เราจะทุกข์เยอะ การที่เราหัดคอยรู้ทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยฉลาดต่อไปไม่ว่าเราเห็นอะไรเราเจออะไรเราจะยอมรับมันได้ง่ายนะเพราะเราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันนะเราเห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความดีมาแล้วก็ไปโลภโกรธห ล, ลงมาแล้วก็ไปดูมันทุกวันทุกวันเนี่ย ใ, ใจมันฉลาด ใจมันสรุปได้นะว่าทุกอย่างที่มาแล้ไปทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยใจเจอความสุขเวลาไปเจอความสุขนะใจก็ไม่กังวลว่าความสุขมันจะต้องไปเพราะรู้แน่ว่ามันไปแน่ๆเวลามันไปเจอความทุกข์ก็ไม่ทุรนทุรายก็รู้ว่าความทุกข์ถึงเวลามันก็ไปเนี่ยงั้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆการที่เราจะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่เห็นความรู้สึกทุกชนิดมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องใหญ่มันคือวิธีที่จะฝึกให้ใจเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตานี้แหละเพราะไปหัดดูนะทุกวันต้องหัดดูบ่อยๆให้เห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความโกรธมาแล้วก็ไปความโลภมาก็ไปนะความฟุ้งซ่านความสงบความดีทุกอย่างมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปรู้จักความสุขไหม รู้จักใช่ไหมทุ ก, ก็รู้จักใช่ไหมเมื่อกี้ถามแล้วโบลบโกรดลงอะไรก็รู้จักหมดเลยรู้มันบ่อยๆรู้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเอาแค่นี้แหละทุกอย่างบังคับไม่ได้นะฝึกรู้อยู่เท่านี้นะแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ทุกข์หรอกนี่แหละเราจะถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้ด้วยศาสตร์ของพระพุทธเจ้าศาสตร์ของศีลศาสตร์ของสมาธิศาสตร์ของปัญญา อาศัยสตินี่แหละเป็นรากเป็นเง่นะมีสติรู้ทันกิเลสทั้งหลายนะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ก็มีศีลอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านนะก็เกิดสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านอาศัยสติรู้ทันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วโลภโกรธห ล, ลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใ น, ในใจเราแล้วเห็นว่าตัวอย่างเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปแล้วก็บังคับมันไม่ได้นี่เรียกว่าการเจริญปัญญา เราเจริญปัญญาจนเต็มที่นะแล้วใจมันยอมรับความจริงไว้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้ได้พระโสดาบันนะความทุกข์จะหายไปเยอะเลยอย่างเราจะแก่ก็เรื่องธรรมดาร่างกายมันหนุ่มมานานแล้วมันสาวมานานแล้วมันก็สมควรแก่แล้วล่ะเป็นเรื่องธรรมดามันจะเจ็บมันจะตายมันก็เรื่องธรรมดามันอยู่มานานแล้วนี่ หรือเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักมันก็เรื่องธรรมดาก็อยู่กับเขามาพอสมควรแล้วถึงเวลาก็จากกันเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็เรื่องธรรมดาอีกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเลยกลายเป็นธรรมดาไปหมดเลยความสุขกข็เป็นเรื่องธรรมดาความทุกข์ก็ธรรมดาคือมาแล้วก็ไปเหมือนกันหมดความดคามีความชั่วก็ธรรมดามาแล้วก็ไปเหมือนกันหมด ให้รู้อย่างนี้นะใจมันยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงได้เมื่อไหอไร่ความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนี่แหละสาคัญนะค่อยไปฝึกเปลี่ยนใจของเราแต่เดิมใจของเรามืดมัวใจเรามีกิเลสครอบงํามากผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มามีสติรู้ทันใจของเราเราก็มีศีลมีธรรมขึ้นมาแต่เดิมใจเราฟุ้งซ่านตลอดเวลา เรามีสติรู้ทันจิตใจที่ฟุ้งซ่านเราก็ได้สมาธิขึ้นมาแต่เดิมเราถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำความสุขมาเราก็พอใจความทุกข์มาเราไม่พอใจความดีความชั่วม า, มมาบังคับพฤติกรรมเราอย่างความชั่วมาก็บังคับพฤติกรรมทางกายทางวาจาเราเนี่ยเรารู้ทันนะสุดท้ายมันจนมาบังคับเราไม่ได้อีกละ จิตใจจะสะอาดนะจะถอนสิ่งโสโคร ก, กคือกิเลสทั้งหลายนีย่ออกจากใจศีลเป็นเครื่องถอนกิเลสอย่างห ย, ยาบๆสมาธิเป็นเครื่องถอนกิเลสระดับกลางๆคือระดับความฟุ้งซ่านนะไม่ถึงขั้นโลภโกรธห ล, ลงรุนแรงจะไล่ตีไล่ฟันกับเขาแค่ใจมันฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสระดับกลางๆนะสู้ด้วยสมาธิกิเลสละเอียดคือความไม่รู้ การไม่รู้ความจริงการไม่ยอมรับความจริงมาทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวอันนี้สู้ด้วยการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือมีสตินี่เองคอยดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวไปหมดเลยเดี๋ยเฉพาะสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนะผ่านมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยตื่นนอนมาความรู้สึกเป็นอย่างนี้คิดไปอีกเรื่องหนึ่งความรู้สึกเปลี่ยนไปอีกอย่างละนะ ออกไปเจอคนนี้ความรู้สึกอย่างนี้เจอคนนี้ความรู้สึกอย่างนี้เปลี่ยนตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะความรู้สึกเปลี่ยนเป็นพันพหมื่นหมืนครั้งเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยมันเหมือนเราได้ทําการบ้านตลอดเวลาได้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะดูได้ทั้งวันเลยมีให้ดูแต่ถ้าเวลาทํางานที่ต้องคิดดูไม่ได้นะเวลาทํางานที่ต้องคิดก็เป็นเวลาทํางานไปเวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไป ฝึกแค่นี้นะแล้วใจเราจะเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็จะทุกข์สั้นๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะจนํานวนมากเลยเขาบอกเขาเปลี่ยนนะเขารู้สึกว่าโลกเนี้กระทบเขาได้น้อยลงน้อยลงนะเขาไม่หวั่นไหวกับโลกอะไรจะเกิดขึ้นใจมันไม่หวัน่นไหวมันเหมือนโลกอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆห่างโลกออกไปแล้วเหนือโลกนะ มันมีคำอยู่คำหนึ่งครับว่าพ้นจากโลกคําว่าโลกุตตะละมันห่างออกจากโลกไปโลกุตตะะก็อยู่เหนือโลกใจที่มันฝึกอบรมมาดีแล้วนะด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาเมื่อมันได้โลกุตตะละรำมามันถอนตัวเองออกจากโลกนะโลกมันทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละใจมันไม่ทุกข์ด้วยใครฝึกนะแล้ววันหนึ่งเราอยู่ได้ของดีะนี่สอนง่ายนะวันนี้สอนง่ายถ้าวันไหน เก่าๆเรียนมากๆ ก, ก็ยากกว่านีนะ้สอนเรื่องวิธีจิตเรื่องอะไรต่ออะไรนะหัดดูหัดรู้เอานะเอาวันนี้สมควรแก่เวลานะโดยธรรมชาติแล้วสมองของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยมันรับข้อมูลใหม่ๆได้สี่สิบห้านาทีโดยประมาณนั้นฟังมากกว่านั้นก็งั้นๆนะเสียเวลานะถ้าฟังนานกว่านี้จะเริ่มยีบลนะ แล้วเข้าหาความสงบมิเวกนะเฉพาะตัวกราบนมัสการหลวงพ่อค <he ight? S 2> ่ะเมื่อสองปีที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านโยมไปดูจิตที่เคลื่อนไปโยมทำทุกวันค่ะเห็นไหมเห็นค่ะเห็นเห็นไหมมันมันเคลื่อนได้เองค่ะนะแวบแวบแวบรู้สึกใหมสมาธิมันจะดีขึ้นใจมัจะอยู่กับเนื้อกระตัวนะพ็ใจมันอยู่กับเนื้อกตัวเราก็เดินปัญญาได้ หเห็นกายหเห็นใจมันทำงานมันเห็นคนอื่นรู้สึกบ้างไหมว่ากายกระใจเป็นคนละอันหรือ<ม>รู้สึกได้แต่ความรู้สึกในใจคิดว่าโยมคิดไปเองค่ะลบกรดหลงกระใจเป็นคนละอันอันนี้เห็นไหมค่ะนะค่อยรู้ไปเรื่อยนะจะเห็นร่างกายก็ไม่ใช่จิตใจความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็วมไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าไม่เป็นของที่แปลกปลอมมาชั่วครั้งชั่วคราว พ่อนาดีแล้วล่ะ<า>ขันขอบพระคุณนะค่ะถ้าขันมันแยกได้เราก็ดูขันมันทํางานนะ่ะเชินวันหนึงใจมันยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาเป็นอย่างนี้แหลอะอยากได้ธรรมะให้เห็นนะเรื่องธรรมด้าขอบกาบนมนันมสการือกาบนมนัสการะคะ่ะพูดดังดังนิดเถอะใจตื่นเต้นเจ้าค่ะเออตื่นเต้นต้องเสียกดัง ไ, ได้หายตื่นเต้นเขาละลูกมีคําถามแน่ค่ะอยากทราบว่าอยากทราบว่าเวลาสวดมนต์ไปแล้วก็คิดอกุศลไปอย่างนี้ค่ ะ, ะลูกจะรู้สึกตัวอยู่ใช่ได้ได้คะแนนสังเกตไหมว่าจิตมันคิดอกุศลได้เองเราไม่ได้คิดน ะ, ะมันคิดของมันเองใช่ไหอตรงที่จิตคิดอกุศลนั่นนะเป็นบาปนะ แต่ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตคิดอกุศลเนี่ยเป็นบุญแต่บาปเนี่ยมันนิดเดียวเป็นบาปเล็กๆเพราะเราไม่ได้เจตนา ต, ตรงที่สติมันเกิดอัตโนมัติขึ้นมานะมันเป็นบุญอันใหญ่นะเป็นบุญอันใหญ่ยันไม่ต้องกลัวจิตคิดอกุศลรู้ว่ามันคิดมันคิดของมันได้เองเนี่ยดีอ้าว่าไปานิการหลวงพ่อค่ะโยมใช้ดูลมเป็น ทีหาเราทำนะคะทางกระทบอารมณ์นะคะมันทางกระทบอารมณ์ทางใจค่ะบางทีก็ไม่เคยรู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดการเบื่อหรือว่าการเศร้าอะไรอย่างเงี้ยจะรู้คือเบื่อกละเศร้าอะไรเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทสะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดคเพราะงั้นเวลาใจมันเบื่อใจมันเศร้ามันเห็นง่ายค่ะเห็นง่ายกว่าใจมันมีความสุขนะค่ะ เห็นเรื right so and and <S <s like ่องปกติค่ะแล้วการแยกกายแยกอะไรพวกนี้ยังทําไม่ได้จะทำไงครับหลวงพ่อแล้วย่ายอยากทํานะโยมรู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปค่ะอันนี้เห็นไหมเห็นค่ะเนี่ยเราแยกความรู้สึกกับจิตออกจากกันอย่างนี้ก็ถือว่าแยกขันเหมือนกันนะออไม่จําเป็นว่าต้องแยกกายกับใจอย่างเดียวหรอกถ้าเราไม่ถนัดแยกกายแยกใจเราก็ไม่แยกความรู้สึกกับจิตออกจากกัน ความสุขไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์หรือกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้เห็นไหมเห็นค่ะเออใช้ได้ค่ะเดี๋ยวนั้นเราก็ดูจิตเอาค่ะแล้วเห็นไหมว่ามันอยู่ชั่วคราวค่ะเห็นค่ะเห็นไหมว่ามันมาแล้วก็ไปค่ะเห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนเห็นค่ะเออดีแล้วเหรอเห็นแล้วถามอะไรล่ะเดี๋ยวถามอีกเรื่องนะคะหลพ่อเอาแบบ อมีนั่งสมาธิอยู่ครั้งหนึ่งคะ่ะก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะใจไม่เกิดปิตินะคะปิติแล้วก็รู้สึกว่าจิตเหล่านี้มีความสุขมากแล้วออกจากสมาธิก็ยังมีความสุขค่ะหลวง่อธรรมดาเรื่องของสมาธินะอันนี้ปฏิบัติผิดไหมคะอไม่ผิดนะไม่ผิดในแง่ของสมถะแต่ไม่ได้เดินวิปัสสนาอพราอะไรเพาะใจเราเคลื่อนไปดูภาพใจเราเคลื่อนออกไป นึกออกไหมเคลื่อนออกไปดูค่ะค่ะแมันไม่ถึงฐานโอ้ถ้ามันเคลื่อนตามไปมเกิดนิมิตแตดูนิมิตมากมก็สนุกนะมีปีติมีความสุขอะไรไปแล้วแล้วทํายังไงเราถึงจะไม่ไม่ไม่จิตส่งออกนอกค่ะหลวงพ่อรู้ทันว่ามันไหลไปดูะรู้ทันว่าอ้าวเผลอไปดูภาพนี้ละที่จริงใจมันคิดนะใจเราคิดเป็นภาพบางทีก็คิดเป็นตัวหนังสือบางทีก็คิดเป็นเสียง S <S ต้องคิดผ่านสื่อต่างๆ <S <S นี่มันเราไม่ได้เจตนานะมันคิดของมันเองสร้างภาพไหลไปเรื่อยเราไม่ได้สำคัญมั่นหมายมเลยไม่รู้ว่ารูไปอะไร<อ>มันแต่ไหลไหลไหลไหลแต่ใจเราเคลื่อ น, อนถ้าหากว่าเรารู้ว่าใจเราเคลื่อนนี่จะหยุดไหมคค่ะัมันหยุดเลย<อ>นี่มิดนั่นหายไปเลยเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราเห็นผีมาใะเวลาผีมานั่งจึงปุ๊บข้างหน้าเรานะแลบลิ้นยาว แหวกหน้าอกด้วยผีไทยนิสัยอย่างนี้เหมือนๆกันเป็นวัฒนธรรมผีไทยผีฝรั่งยังไม่เป็นอย่างนี้นเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรากลัวเรากลัวเนี่ยเราย้อนมาดูที่จิตเราเห็นจิตกลัวพอดูไปที่จิตปุ๊บความกลัวขาดสะบั้นนะเราย้อนออกไปดูผีอีกครั้งหนึ่งถ้ามันยังนั่งอยู่ก็เออตัวจริงถ้ามันหายไปแล้วสแสดงว่ามันเป็นนิมิต ท, ที่จิตสร้างขึ้นมา ถ้าตัวจริงแล้วก็แผ่ส่วนบุญไปอ๋อตัวจริงก็แผ่ส่วนบุญผออีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะค่ะผีที่มาหาเราเนี่ยเป็นญาติญาติเราผีจรจัดเนี่ยไม่ค่อยยุ่งกับเราพูดเรื่องผีเยอะยอนะพวกเราชอบเรื่องพระไม่ค่อยชอบนะกลับนะมัสรรการหลวงพ่อนะครับผมได้รู้จักหลวงพ่อจากทางยูทูบนะครับอืปกติก็ ยังไม่ไม่เคยได้มาฟังหลวงพ่อเทศนะครับก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาสอบถามกับทางหลวงพ่อนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คือมีการปฏิบัติโดยการนั่งสมาธินะครับมาประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ได้มาปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อประมาณ2เดือนนะฮะก็ในระหว่างวันในการทำงานก็จะพยายามรู้กายนะครับการเคลื่อนไหวเวลาเดินไปห้องน้าหรือว่าเวลาเดินไปทานข้าวนะครับ ถ้าในการปฏิบัติประจำวันก็จะมีนั่งสมาธิช่วงเช้าก่อนนอนนะก็พยายามทำให้ได้ทุกวันนะครับดีๆีก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับอืก็ทำดีแล้วนี่ก็ทำต่อสิมีอะไ ร, รแนะนำ ถ, นถนัดถนัดกายเราก็ดูกายนะให้เห็ น, นกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันแยกออกไหมครับว่ากายอย่างกายมันพูดกายมันไปยักหน้านี่จิตมันเป็นคนรู้สึก แต่เราไม่จ้องจนกระทั่งจิตมันแข็งทื่อนะจิตมันรู้สึกสบายๆถึงใช้ได้อันนี้เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านเรียกแยกธาตุแยกขันธ์อย่างหลวงตามหาบัวนั่นบอกเลยถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเพราะฉั้นเราแยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายมันทํางานเห็นกายมันกินเห็นกายมันนอนเห็นกายมันเคี้ยวเห็นร่างกายอาบน้ําอะไรเงี้ยใจเราอยู่ตาหากเป็นแค่คนดูดูเหมือนดูคนอื่นเรื่อย ฝึก อ, อย่างนี้แหละใช้ได้คือตอนนั่งสมาธิหรือว่าตอนที่รู้สึกตัวว่าจะมีสมาธิเนี่ยจะมีอาการปวดหน้าผากครับอ๋อจะแก้ไขยังไงนะเพ่งแรงไปอันนี้แก้ไม่ได้หรอกต่อไปมีทักษะมากขึ้นนะมันจะรู้สบายๆจะไม่ปวดอันเนี้ยจงใจรู้แรงไปบางทีก็เนี่ยไปรู้อย่างนี้นะแรงๆอย่างเงี้ยมันปวดห้ามไม่ได้หรอก นานๆไปพอมันชำนาญขึ้นมันก็แค่รู้แค่เห็นไม่จ้องแรงๆก็ไม่ปวดออกครับคุณครับลงหลวงพ่อตอนเด็กๆก็รู้ลมหายใจไม่เรียนกับหลวงปู้ ด, ดูลถ้าได้ดูจิตดูจิตทีแรกก็วปวดตามากเลยเพราะเอาเอ า, เอาตาไปดูเนี่ดูจิตต้พยายามเนี่ยครั้ง่างที่หลับตาแล้วไปเค้นลูกกระตาอีกนะปวดเลยค่อยๆฝึกไปแลมันก็เป็นธรรมชาติ อ้าวว่ามางานวัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เหมือนติดวิปัสสนาหรือเปล่าทำไมล่ะมีอาการยังไงคือช่วงตอนเดวเท้าความไปตอนสักประมาณช่วงพฤษภาอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนั้นแบบเวลามีได้ยินเสียงอะไรเสียงดังๆปุ๊บทีหนึ่งแล้วเหมือนมันมันมีคนปิดไฟไปแป๊บหนึ่งอะคะ่ะคล้ายๆไม่แน่ใจว่ามันสัน ต, ติมันขาดหรือเปล่าใช่ ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาได้ยินเสียงก็แบบมันไหวหๆขึ้นมาค่ะเห็นอันนี้หนูเห็นจริงใช่แล้วก็คือเหมือนเห็นอย่างสมมุติฟังเพลงเนี่ยค่ะเพลงมาดังขึ้นมาแล้วมันไหวขึ้นมาก่อนที่มันจะไปรู้สึกชอบอะค่ะใช่ตัวเนี้ยมันปลุงขึ้นมานะปลุงขึ้นมาจากกลางอกเนะแล้วก็ปลุงออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นชอบเป็นไม่ชอบ แลคือบางช่วงมันรู้สึกว่ามันตลอดเวลาเลยค่ะแบบได้ยินเสียงคนพูดคือมันไหวๆๆแบบมีแต่ไหว่างเดียวว่ามันมีแต่ทุกข์คือถ้าเราเห็นไหวๆนี่นะเราจะทุกข์แล้วมันไม่มีที่พักเพราะอะไรเพราะมันจะไหวทั้งวันทั้งคืนจุดที่เราจะพักได้สำหรับคนที่เห็นสภาวะที่เป็นไหวเนี่ยคือสมถะ ถึงตอนนั้นเราไว้พระสวดมนต์นะนั่งนั่งสวดมนต์นอนสวดมนต์เดินสวดมนต์บริกรรมไปเรื่อยๆนโมตาาัสสาพระคัลวะตัวระหะโตัวสัมมาสมุททัสสาเลยสวดซ้ําไปเรื่อยใจมันจะคลายจากการดูให้ไหว ๆ, ๆนี้เข้าไปพักมันเหนื่อยมาก <c oughs> นะออต้องเหนื่อยมากถ้าเห็นไหวๆนี้จะเหนื่อยมากแบบบางทีมันเยอะมากแบบดู <c oughs> หนังเรื่องนึงคือแบบหนูทุกคราวที่มีผัสสะตัวนี้ก็จะไหวเนี่ยวัฏตะมันหมุนที่นี่เอง วัตตะหมุนอยู่กลางอกเรานี่เองเดี๋ยวหมุนหมนไปก็เวี่ยงสุกขขึ้นมา mm hmm. เบี่ยงทุกข์เบี่ยงดีเบี่ยงชั่วขึ้นมานะแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดงั้นเวลาที่เราเดินปัญญาเห็นวัตตะที่หมุนอยู่กลางอกเนี่ย mm hmm. ถ้ามันเหนื่อยมากนะต้องทําสมถะะหนูไม่ต้องทําอะไรมากหรอกส่วนมนไปเรื่อยๆส่วนมนบทสั้นๆที่บทที่เราชอบสบายๆอย่าง น, นโมตัสสะอะไรถ้าชอบก็สวดไปแค่นั้นไม่ต้องสวดอะไรยากๆหรอก mm hmm. บางทีมันเห็นภาพเนี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบถ่ายรูปตลอดเวลาเลยใช่แบบเออนั่นแหละไม่ใช่วิปัสโนนี้ไม่ใช่วิปัสโนจิตมันเดินวิปัสนาแต่มันเดินเยอะไปนะแล้วต้องทําสมถะกลับมาพักมันค่ะแล้วก็ที่สงสัยตัววิปัสโนคืออย่างบางทีเวลามันสุขหลือทุกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อบางทีหนูไม่แน่ใจว่าหนูไปตะครุบเอาความสุขมาดูมากเกินไปหน่อยค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาหนูหยิบมันมาดูคือ หนูพิจารณาลักษณะมันเกินไปเรารู้เล่นๆนะแค่เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแค่นั้นก็พอและบางทีแบบรู้สึกว่าเหมือนมันพุ่งลงไปดูจนให้รู้ว่าพุ่งพุ่งเออให้รู้ว่าพุ่งนะเหมันมาเข้าไปในอุโมแบบมันมันพอพอลงไปดูปุ๊บทีนี้มันมันมืดเลยค่ะมันห้ามมันมันแบบเราห้ามไม่ได้คจิตบางคนมันชอบค้นคว้าอย่างนั้นน่ะห้ามไม่ได้หรอกแต่มันถล่มไปแล้วเราก็รู้นะ แต่หนไม่เป็นวิปัสโน ถ, ถ้าจิตถึงฐานเนี่ยจะไม่มีวิปัสโนวิปัสโนเกิดตอนที่จิตไม่ถึงฐานเนะี่ยทําวิปัสนาอยู่แล้วจิตเคลื่อนออกจากฐานไปแต่ถ้ามันมันไหลเข้าอุโมแล้วเราเห็นเนี่ย่็กลับเข้ามาเองไม่เป็นหรอกแล้วก็ไปทําสมถะสวดมนต์ไปเอาสักบทหนึ่งะอะไรก็ได้เรื่องหนะึงก็คือเอาเหมือนสักประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วคะ่ะปกติ หนูไม่เคยเห็นตัวนี้เลยค่ะมันเป็นตัวถ้าที่โหนใช้สัพท์น่าจะเป็นตัวเซลฟ์จัดอะค่ะ <c oughs> คือที่ผ่านมาเวลาสมมุติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นสมมุติมีใครพูดอะไรกระทบเราคือตัวนี้มันจะขึ้นมาแต่ว่าหนไปเห็นปลายปลายมาแล้วค่ะ <c oughs> คืเห็นตอนที่มันหงุดหงิดหรือว่าอึดอัดแล้วค่ะ <c oughs> แต่พอดีล่าสุดเหมือนมีคนแบบพูดแทงใจดํา <c oughs> มากแล้วไม่รู้เหมือนวันนั้นอาจจะทําส ม, มถะมาค่อนข้างดีมาก มันก็เลยยอมดูเข้าไปแล้วมันก็เห็นตัวจริงของมันว่าแล้วมันก็เหมือนแบบมันหงอยๆยไปเลยคดูไปดูนะต่อไปเราจะเห็นใ น, ในพฤติกรรมทั้งหลายทางกายวาจาใจไอ้ตัวนี้อยู่เบื้องหลังใช่คือ พ, พอแสบค่ะ ต, ตัวนี้คือแบบไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ภาวนามาคือเมื่อสามสี่อาทิตย์ก่อนคือเห็นครั้งแรกแ ล, แล้วรู้เลยว่าตัวนี้คือ <laughs> ทุกสิ่งของตัวทุกเลยที่มันแบบทําให้มันทุกข์ขึ้นมาคือตัวนี้เลยอะค่ะเออถูกนะถูกระดับหนึ่งมีมากกว่านี้อีกมีมากกว่านี้เออตอนนี้เราเห็นตัวนี้ตัวนี้มันวงการพืชจิกรรมใช่ค่ะมันมันแบบเหมือนแอบอยู่ตลอดเลยใช่ม่ใแอบจะพูดจะทําอะไรนะกระทั่งการวางสีหน้าการอะไรที่มันซ่อนอยู่เออไปดูให้ทันดีแล้วล่ะที่เห็นแล้วก็เขาโทษค่ะหลวงพ่อส่งเยอะไม่ได้ส่งสักพักก็อีก อันนึงก็คือเหมือนว่าหนูมันทุกข์มากเลยค่ะหลวงพอ่อคือทีนี้มันไม่ได้ทุกจากการที่มีอะไรแบบจากโลกข้างนอกอะค่ะแต่ว่าคือกายกับใจแบบขัดมันทุกข์มากมันมีแบบวันหนึ่งที่หนูทุกจนแบบเหมือนมันบีบจน หนูไม่เหลือช่องที่จะไปแล้วค่ะ ห, หนูก็เลยไม่รู้จะทำไงหนูเลยก็เลยนอนบนเตียงดูร่างกายแล้วก็เห็นมันเป็นแบบเม็ดเม็ดที่เรารเดินว<อ>ิปัสสนามาก <c oughs> ๆ, ๆนะมันเหนื่อยเนี่ยหนือมันเครียดมากนะทําสมถะสมถะเขาไว้ใช้ตอนนี้แหละส่วนเขาหนูเนี่ยใจมันยังไม่ได้เห็นเต็มร้อยนะ <c oughs> ว่ามีแต่ทุกข์ใจมันยังอยากได้ความสุขอยู่มันะันนี้มันยังคิดว่ายังมี ไปทำอีกไปฝึกมาขนาดนี้เก่งเชียวละขอถวายการปฏิบัติทำให้หลวงพ่อประมทนนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านในห้องนี้ทุกภพทุกชาติที่เคยภาวนามาก็ขอให้ผลวันนี้แผ่ให้กับทุกทุกสิ่งค่ะหนูขอขอบคุณหลวงพ่อ ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้กราบขอบคุณหลวงพ่อครั้งที่เท่าไหร่แล้วคือทุกครั้งเปิดเทปหลวงพ่อหนูก็ขอบคุณหลวงพ่อทุกครั้งไปทำนะทำกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเพิ่งปฏิบัติครั้งแรกหนูเพิ่งปฏิบัติมาได้ประมาณปีนึงแล้วก็ปกติหนูเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะคือพอดีมีโอกาสได้กลับมาแล้วก็เพิ่งจะหัดภาวนาค่ะทีนี้ก็ เห็นว right, ่าตัวเองมีจิตที่เปลี่ยนไปเยอะมากจากนิสัยเมื่อก่อนกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็จะทันจิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็คือจะเหมือนกับเห็นก่อนว่าตัวเองจะรู้สึกหรือคิดยังไงแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ตัวเองว่านิสัยแย่ขนาดไหนในขณะที่เมื่อก่อนหนูภาวนานได้ดีนะภาวนานดีแนี่มันถึงเห็นอย่างนั้นนะคนทั่วๆไปมันเข้าข้างตัวเองในเราพอนาเนี่ยเราเห็นความจริงของตัวเองน่าเกลียนนะ มันน่าเกลียดกว่าที่เราคิดใชค่ะแต่การที่เราเห็นว่าเรามีข้อไม่ดีเนี่ยเราค่อยๆล้างไปไปมันก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นคล้ายๆเรารู้ทันแล้วว่าร่างกายเรามีเชื้อโรคซ่อนอยู่มันก็หาทางขจัดได้เราไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำอีกไหมคะเพราะว่านานๆถึงจะได้กลับมาที่ไทยอะคะไม่ค่อยได้มาปฏิบัติมีหลักอยู่เท่านั้นเองนะรสติรู้กายรู้ใจไปก็คือดู จิตดูกายไปเรื่อยๆใช่ดูเขาทํางานนะดูไปสบายๆดูเขาทํางานถ้าใจเราไม่เป็นกลางยินดียินไล่ขึ้นมาก็รู้ทันรู้ได้ใจที่ตั้งมั่นถึงฐานมันอย่างเนี้ยมันถึงอยู่แล้วก็คือเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมมีอะไรต้องแก้ไหมคะไม่แก้คําว่าแก้เนี่ยนะอยู่ในสมถะวิปัสสนาไม่มีแก้ มีแต่รู้อย่างที่มันเป็นเช่นมันโกรธก็ไม่ต้องแก้ให้หายโกรธก็รู้ว่ามันโกรธนะรู้อย่างที่มันเป็นโน้ตภาวนาะใช้ได้ดีกล่วขอบคุณมากค่ะกล่านมัศกาลพ่อนะครับคือผมหารูปแบบที่เหมาะกับตัวเองไม่ได้ะครับในตอนนี้ครับยังไม่ได้อีกเหรอก็ตะก่อนนี่ได้แล้วครับแต่ตอนนี้มันรู้สึกมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ครับ ต้องบริกรรมไว้นะแผ่เมตตาไปบริกรรมเมตตาคู่ัางกรหังเมตตาไปเรื่อยๆบริกรรมมีมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับใจเข้มแข็งไว้นะคิดถึงพพุทธเจ้าไปแล้วแผ่เมตตาไปแล้วสภาวะอะไรที่เป็นอยู่ก็แค่รู้แค่เห็นไม่ต้องแก้มันรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปกลัวหรอกรเวลาเราภาวนาดี ม, ามันไม่ปล่อยเราหรอก มันต้องผจญตอนนี้เป็นเวลาผจญมารแล้วล่ะไม่ต้องกลัวนะครับผมยังไงก็ชนะมารครับผมขอบคุณครับคิดถึงพุทธเจ้าน ะ, จะเจริญเมตตาทำใจสบายๆแล้วก็รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นไปมันมัวรู้ว่ามั ว, มวไม่ต้องไปอยากให้สว่างนะอย่างเงี้ยนะเออใช่ได้ กับทางสู้การหลวงพ่อครับอ่าผมไปส่งการบ้านครั้งที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์ครับก็หลวงพ่อบอกว่าทําไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าจิตมันบอกว่าทําได้ก็เลยแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือการปฏิบัติเนี่ยก็ความเล่าร้อนหรือความเร่งร้อนอะไรปฏิบัตินี้ก็น้อยลงเอออย่างนั้นสิถึงจะทําได้ก็พยายามไม่ไม่ให้เคร่งเครียดเกินไปก็ปฏิบัติออพยายามสบายสบายที่จริงที่หลวงพ่อบอกทําไม่ได้เนี่ยนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกหรอกนะ พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้พระภิกษุทั้งหลายไม่มีใครทํามรรคนิพพานให้เกิดได้หรอกมรรคนิพพานเกิดเองเมื่อเรามีศีลสิกยาจิตศิกยาปัญญาศิกขางานหน้าที่เราก็คือ น, นี่แหละมีศีลสิษยาจิตตสิกยาปัญญาศิกขาแล้วมรรคนีเขาจะเกิดเองเราสั่งไม่ได้ครับแล้วก็กลับก็กลับมาอยู่เมืองไทยสกักพักก็จะเห็นว่ามีกร า, มากรามาราคาเยอะขึ้นอืเห็นที่ผ่านมา แล้วก็พยายามดูจุดที่หลายไปคิดมไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติมาถูกทางไหใช่ได้นะดีแต่ว่าเราอย่างกรรมราคาเราก็ไม่ได้เพื่อลรักมันนะคแค่รู้มันไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันรู้ไปสบายสบายไม่ทราบที่ปฏิบัติตอนนี้มาถูกทางไหมครับถูกสังเกตไหมล่ะเราไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนไม่ได้เราเครียดไป พ อ, อนางเครียดเครียดจะไปได้อะไร น, นได้เครียดสิรู้ไปสบายๆก็ได้เห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปเห็นไหมกิเลสมาได้เองดูออกแล้วใช่ไหมครับไล่ก็ไม่ไปครับนะรู้เฉยๆนะดีก็คือให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ได้ครับขอบคุณมากครับกราบมัสการหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติโดวยการเดินจงกรมช่วงนี้ก็ เดินได้นานขึ้นเพรรู้สึกมีความสุขขึ้นนี้มีปัญหาก็คือช่วงนี้รู้สึกว่าโทสะแรงมากค่ะเหต อ, อะไรคะเหตุแสดง<อ> ว, ว่าอะไรสแสดงว่าไม่ได้เพ่งเอาไว้แต่เวลามีโทสะแรงหนูรู้สึกหุดหงิด ต, ตัวเองแล้วก็เหมือนกับไม่ชอบแล้วลไม่รู้จะทํำยังไงมีโทสะซ้อนโทสะ ท, สะทีแรกมีโทสะไม่ชอบคนอื่นไม่ชอบสิ่งอื่นอันที่สองมีโทสะไม่ชอบตัวเองที่มีโทสะ นะมันเป็นโทสะซ้อนโทสะหนูก็รู้ทันสิมีโทสะตัวที่หนึ่งก็รู้โทสะตัวที่สองแทรกเข้ามาก็รู้มันเกิดจากความรักดีเราเกลียดชั่วรักดีอยากเป็นคนดีเลยนะมีมาตรฐานนะให้รู้ัน้าไปมันก็ทำให้เราทุกข์เหมือนกันค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคือมันมาเป็นบางทีบางทีไม่ได้มาตลอดนะคะหนูอะไรมาอ๋อความความรู้สึกเห็น เห็นมนุษย์สกรปรกอย่างเงี้ยค่ะตัวเองสกรปรกแบบน่ารังเกียจอย่างเงี้ยให้ให้รู้ทันความรู้สึกรังเกียจนะะเป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ใช่ของจริงคําว่าสกรปรกมันไม่มีจริงสิ่งที่มีจริงคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาปฏิกูลอสุภาเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติอย่างของอย่างนี้เราว่าเหม็นนะเีย่ยฝรั่งมันทำเนยบางอย่างนะเราว่าเหม็นนะมันว่าหอมอ่ะ งั้นสะอาดสกปรกอะไรเนี่ยไม่มีสภาวะทรรองรับงั้นให้รู้ทันลงไปใจมันขยัขขยงรู้ทันว่าขยัขขย ง, ขยขยงก็เห็นว่าความขยัขขยงเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วดูอันนี้จังทุกขังอนัตตาไว้ปฏิกูลอสุภะเป็นเรื่องของสมถะดูแล้วมันคมราคาักะข้อสุดท้ายครับหนูรบกวนหลวงพ่อแนะนำ อย่างตอนเดินจงกรมตอนตอนก่อนนอนโอเคดีแต่หมายถึงอย่างเวลาตอนทํางานระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะหนูส่วนใหญ่จะหลงไปเลยทั้งวันนานๆมากถึงจะแบบรู้ตัวทีนึงอย่างเงี้ยคะ่ะควรทําไมหลงไปเดิน อ, อ๋อหมายถึงว่าตอนเดินจงกรมตอนกลางคืนก็คือรู้สึกรู้ตัวดีจิตไปคิดอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอย่างเวลาทํางานระหว่างวันนะคะหนู ส่วนใหญ่จะหลงไปเลยไม่ค่อยรู้ตัวไม่ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เวลาทํางานเราก็ต้องจดจ่อกับงานสิสติสมาธิปัญญาอยู่ที่งานไม่ได้มาอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเราเดินจงกรมนะเขาจ้างเราทํางานเพรนั้นถ้าเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยมันทําไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาอะไรไม่ได้นะแต่ว่าอย่างสุขทำงานอะไรล่ะ๋อยู่เป็นร้านขนมค่ะเออร้านขนมเนี่ยเราก็ภาวนาได้นะ เมื่อเราลูกค้ามาเราดีใจรู้ว่าดีใจอย่างเงี้ยลูกค้าไม่มาเลยมนไม่สบายใจทำขนมไม่ไม่มีคนมาอย่างเนี้ยภาวนาอย่างนี้หรือถ้าต้องลุกขึ้นไปหยิบขนมนะันก็เห็นร่างกายมันเดินไปหยิบขนมมาให้ลูกค้าแต่อย่ามวัวแต่ภาวนาแล้วไม่ทักทายลูกค้าไม่ได้นะทำอุเบกขาตลอดเดี <laughs> ๋ยวมันเบกที่อื่นหมดอ่ะก็สุดท้ายขอกราบถวายการปฏิบัติ <laughs> แต่หลวงพ่อแล้วก็ออพระพุทธเจ้าพระพูทธธรรมพระสงฆ์เอพระพุทธเจ้าก่อนนะเอเเ อ, อต้องให้พุทธเจ้าก่อนแล้วก็กราบขอขอมาด้วยนะคะนะถ้ามีอะไรผิดพลาดเออดีแล้วไปทำต่อต้องนึกถึงครูใหญ่เราไว้นะพุทธเจ้าเอาว่ามาการนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ไม่เคยมาฟังสดจากหลวงพ่อนะคะส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือแล้วก็ปฏิบัติธรรมเอาใช้ได้อะ หลายปีก็ไม่เคยฟังนะไม่เคยสอบอารมณ์ไม่เคยทําอะไรเลยต้องสอบสทําไมเราก็ดูของเราได้สังเกตแม้ใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันไหมใช่ค่ะนะรู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปถูกต้องค่ะถูกสิไม่หลอกหรอกํ <c oughs> <c oughs> าถูกแล้วล่ะจ้องมีอะไรข้อปรัปุงไหมคะเพราะว่ามีจะต้องปรุงชิมโมโหไปหรือเปล่าใช่ค่ะนะนี่ใสยเราชี้โมโห เราก็คอยรู้ทันนะมันโมโหขึ้นมาก็รู้อย่าให้มันครอบใจเราครอบใจเราไปลุยคนอื่นมันมีบางครั้งเหมือนกันที่มันมาตามหลังคำพูดเลยนะอืมให้ให้ฝึกไปเรื่อยนะคอยรู้ทันโทสะนี่แหละ <c oughs> มีทั้งวันเลยต้องปรับปรุงอย่างอื่นไหมคะเพราะไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ได้ทำสมาธิเลยนะ <c oughs> อย่างน้อยต้องไหว้พระนะ <c oughs> ไหว้พระสวดมนต์ตรงที่ไหว้พระสวดมนต์ก็คือได้สมาธินั่นแหละ ถ้าเราทำสมาธิอื่นๆไม่เป็นก็ส่วนมนต์ให้ยาวหน่อยจบแล้วหรือรับพรซะหน่อยยาทาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวามววอยโตทินังเปตานางอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสพเพปูเรนตูสังกปา จันโทปรนนรสอยถามณิโชติรสอยถาสพีติโยวิวัชชนตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิตจังุทธาปัจจายิโนจตาโรโธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระหลังลุกพ่อสอนให้แล้วไปทำนะลองทำดูเหมือนที่เข้ามาส่งงินบ้านเนี้ย ชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนนะทุกต้อยลงทุกสั้นลงเราก็ทำได้ถนะ้าเราตั้งใจทำเอา